กิงกณิปุพภว์หมวดว่าด้วยดอกกระดิ่งเป็นต้นหนึ่งตีนิกิงกณิปุพิยะเถราประทานประวัติในดิทชาติของพระตีนิกิงกณิปุพิยะเถระพระตีนิกิงกณิปุพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิทชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้ปราศจากทุรีเคือกิเลส ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกรุ่งเรืองดังดอกกรณิกาประทับนั่งอยู่ที่ซอกภูเขาข้าพเจ้าเก็บดอกกระดิ่งทองสามดอกมาบูชาครั้นบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้บ่ายหน้าลีไปทางทิศใต้ด้วยกกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าและกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึง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 ได้ทราบว่าท่านพระตีนิกิงกณิปุพยเถระได้พาสิทคถาเหล่านี้ด้วยประการศนิตีนิกิงกณิปุพยเถราประธานที่หนึ่งจบ 2. ปงังสุคกูละปูชกะเถราประธานประวัติในดิจชาตของพระบังสุคกูละปูชกะเถระพระบังสุกูละปูชกะเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจิตชาของตนจึงกล่าวว่าในที่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่ออุทัพะละที่ภูเขานั้นข้าพเจ้าได้เห็นผ้าบางสกุลแขวนห้อยอยู่บนยอดไม้ครั้งนั้นข้าพเจ้ามีจิตร่าเริงบันเทิงใจได้เลือกเก็บดอกกระดิ่งทองสามดอกมาบูชาผ้าบางสกุลด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทาไว้ดีแล้วนั้น และด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นเขาพระเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นเดวดึงในกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นเพราะการบูชาธงชัยแห่งพระอระหันต์จึงไม่รู้จักทุกขติเลยกิเลสทั้งหลายเขาพระเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพระเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 ประวัติในดิจิชาของพระโกรันทปุพิยะเถระพระโกรันทปุพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อชาติปางก่อนข้าพเจ้ากับบิดาและปู่เป็นคนทํางานในปา่าเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์หัวสนกรรมของเราไม่มีใกล้ที่อยู่ของข้าพเจ้าพระาศาสดาพระนามว่าติสสะผู้ทรงเป็นผู้นําชั้นเลิศของโลก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 ท่านพระโกรันทะปุพยะเถระได้พาศิขถาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้โกรันทะปุพยะเถราประธานที่สามจบสกิงสุขระปุพยะเถราประธานประวัติในดิจชาของพระกิงสุขระปุพยะเถระพระกิงสุขระปุพยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาตของตนจึงกล่าวว่า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 วิสุกะปุพยะเทราประธานที่สีจบ5อุปัฏฐะทุสะทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระอุปัฏฐะทุษะทายกะเทระพระอุปัฏฐะทุสะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระชื่อสุชาตะ กำลังแสวงหาผ้าบางสกุลที่คลองอยากเยื่อใกล้ถนนเขาพเจ้าเป็นลูกจ้างของคนอื่นอยู่ในครองโหงสาวดีได้ถวายผ้าเครื่องผืนแล้วอภิวาสด้วยเสียงกล่าวด้วยกรรมที่เขาพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นเขาพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเข้าพเจ้าได้เป็นจอมเทพครองเทวสมบัติตลอดสามสิบสามชาติ ได้เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเจ็ดสิบเจ็ดชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันภัยบูร์นับชาติไม่ทวนพระถวายผ้าเครื่องผืนข้าพเจ้าจึงเป็นผู้ไม่มีภัยจากที่ไหนไหนบันเทิงอยู่ในวันนี้ข้าพเจ้าเมื่อปรารถนาก็พึงใช้ผ้าเปลือกไม้คลุมดินนี้พร้อมทั้งป่าใหญ่และภูเขาได้นี้เป็นผลแห่งการถวายผ้าเครื่งองผืนเนกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไป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 ได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้อุปัฏฐะทุสะทายกะเทราประธานที่ห้าจบหคตะมันททายกะเทราประธานประวัติในติชาตของพระคตะมันทะทายกะเท ร, ระพระคตะมันทะทายกะเท ร, ร ะ, ะ, มท ะ, ทะ เ, ทรเมื่อจะประกาศประวัติในติชาตของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงดำริดีแล้ว ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อากวานรชนเสด็จเข้าไปยังป่าใหญ่ทรงพระประชวนด้วยโรคลมข้าพเจ้าได้เห็นแล้วจึงทําจิตให้เลื่อมใสนำหัวน้ำมันเนยเข้าไปถวายเพราะบุญกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้และสั่งสมไว้แล้วแม่น้ำคงคาชื่อพาคีรถีนี้และมหาสมุทรทั้งสี่ได้บรรดานเนยใสให้สาเร็จแก่ข้าพเจ้าอันหนึ่ง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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระคตามันทะทายกะเทระได้ภาสึกคาถาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้คตามันทะทายกะเทราประธานที่หจบ7อุทกะทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระอุทกะทายกกะเทระ พระอุธกะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดุจชาของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีในภิกษุสงฆ์ผู้ยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมตระจึงได้บรรจุน้ำดื่มจนเต็มหม้อน้ำในเวลาที่ข้าพเจ้าต้องการน้ำดื่มจะเป็นบนยอดภูเขายอดไม้ในอากาศหรือที่พื้นดิน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 ท่าพระอุตะกะทายกะเทระได้พาศึกษาเหล่านี้ด้วยประการศนิอุทะกะทายกะเทราประธานที่เจ็ดจบแปดปุลีณะถูปิยะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระปุลีณะถูปิยะเทระพระปุลิณะถูปิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่า ในที่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อยมะกะเขาพเจ้าได้สร้างอาสมและปัญสาราไว้อย่างดีเขาพเจ้าเป็นฉดินผู้มีตบะแก่กล้ามีชื่อว่านารทะสิทธิประมาณหนึ่งนสี่พันคนบ่มรงเขาพเจ้าอยู่ครั้งนั้นเขาพเจ้าเป็นผู้หลีกเร้นอยู่จึงคิดอย่างนี้ว่ามหาชนบูชาเรา แต่เราไม่ได้บูชาอะไรเลยผู้ที่จะสั่งสอนเราก็ไม่มีใครๆที่จะตักเตือนเราก็ไม่มีเราไม่มีอุปชาอาจารย์อาศัยอยู่ในป่าสิทธิผู้พักดีควรทําจิตให้หนักแน่นบารงอาจารย์ใดอาจารย์นั้นของเราก็ไม่มีการอยู่ในป่าจึงไม่มีประโยชน์สิ่งที่ควรบูชาเราควรสแสวงหาสิ่งที่ควรเคารพยกย่องเราก็ควรสแสวงหาเหมือนกัน เราจักชื่อว่าอยู่ยังมีที่พึ่งใครๆจักติเตียนไม่ได้แม่น้ำซึ่งมีฝั่งลาดมีท่าน้ำราบเรียบน่ารื่นรมย์ใจและเกลื่อนกลมไปด้วยทรายที่บริสุทธิ์สะอาดอาสมของข้าพเจ้าก็อยู่ไม่ไกลครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ไปยังแม่น้ำชื่ออเมริกาแล้วโกยทรายมาก่อเป็นพระเจดีทรายข้าพเจ้าได้ทาพระเจดีทรายนั้นให้เป็นนิมิตว่า พระสถูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นมุนีผู้ทำลายที่สุดแห่งภพที่ได้มีแล้วก็เป็นเช่นนี้ครั้นแล้วได้สร้างพระสถูปทองคําที่หาทายแล้วใช้ดอกกระดิ่งทองจํานวนสามพันดอกบูชาข้าพเจ้ามีความอิ่มใจประนมมือนมันมสการทุกเช้าเย็นไหวพระเจดีทรายเหมือนไหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่เฉพาะพระพัก ในเวลาที่กิเลสหรือกามวิตกที่อาศัยความรักเกิดขึ้นเขาพเจ้าระลึกถึงและเพ่งดูพระสถูปที่เขาพเจ้าก่อไว้เขาพเจ้าอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นำหมู่สัตว์ออกจากที่กันดานผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษอยู่ด้วยการตักเตือนตนเองว่าควรระวังกิเลสไว้นะท่านผู้นิรุกข์การให้กิเลสเกิดขึ้นนี้เป็นของไม่สมควรแก่ท่านเมื่อเขาพเจ้าระลึกถึงพระสถูป ย่อมเกิดความเคารพขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นเาพเจ้าบรรเทาอากุศลวิตกเสียได้เหมือนช้างถูกปะตักแทงบรรเทาได้แล้วเาพเจ้าประพฤติอยู่อย่างนี้ได้ถูกมจุราชย่ำยีสิ้นชีวิตที่นั้นแล้วได้ไปเกิดยังพรหมโลกเาพเจ้าอยู่ในพรหมโลกนั้นจนหมดอายุไขมาเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นจอมเทพได้ครองเทวสมบัติตลอดแปสิบชาติ และได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามร้อยชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บูร์นับชาติไม่ถ้วนเขาพเจ้าได้สวยผลของดอกกระดิ่งทองเหล่านั้นดอกกระดิ่งทองจํานวนสองหมสองพันดอกแวดล้อมข้าพเจ้าไปทุกพบเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้บํารุงพระสถูปฝุ่นละอองย่อมไม่ติดกายข้าพเจ้าที่กายของข้าพเจ้าเหงื่อไม่ไหลข้าพเจ้ามีรัศมีสั้นออกโอ๋หนอ พระสถูปข้าพเจ้าได้สร้างไว้ดีแล้วแม่น้ำอเมริกาข้าพเจ้าได้เห็นดีแล้วเพราะได้กรอพระสถูปใจข้าพเจ้าจึงได้บรรลุบทที่ไม่หวั่นไหวสัตว์ผู้ปรารถนาจะทำกุศลชื่อว่ายึดถือสิ่งที่เป็นสาระเขตหรืออเขตไม่สำคัญการปฏิบัติเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญบุรุษผู้มีกำลังมีความอุตสาหะที่จะข้ามทะเลใหญ่ พึงถือท่อนไม้เล็กๆแล้ววิ่งลงทะเลใหญ่ด้วยคิดว่าเราอาศัยท่อนไม้นี้แล้วจะข้ามทะเลใหญ่ไปได้ น, นรชนพึงข้ามทะเลใหญ่ไปได้ด้วยอุตสาหาวิริยะแม่ฉันใดเข้าพระเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยกรรมเล็กๆน้อยๆที่ได้กระทำไว้แล้วจึงข้ามพ้นสงสารไปได้เมื่อถึงพบสุดท้ายเข้าพระเจ้าถูกกุศลมนตักเตือนแล้ว เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลที่มั่งคั่งในกรุงสาวัตถีมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้มีศรัทธานับถือพระพุทธเจ้าท่านทั้งสองนั้นเห็นธรรมแล้วและได้ฟังธรรมแล้วประพฤติตนตามคําสอนท่านทั้งสองถือสเกตไม้โพให้จ้างเป็นพระสถูภทองนมัส ก, การในที่เฉพาะพระพักของพระสักระยบุตรทุกเช้าเย็นในวันอุโบสถ ท่านทั้งสองนำพระสุูปทองออกมาแล้วกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณให้เวลาผ่านไปตลอดสามยามด้วยการปฏิบัติธรรมข้าพเจ้าได้เห็นพระสุูปทองเสมอจึงระลึกถึงเจดีซายขึ้นได้นั่งบนอาสนะเดียวได้บรรลุอรหัตผลแล้วภาณวาระที่ยี่สิบสองจบเมื่อข้าพเจ้าสแสวงหาพระพุทธเจ้าผู้เป็นนักปราชอยู่นั้น ได้เห็นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงออกบวชในสำนักของท่านเขาพเจ้ามีอายุเจ็ดขวบก็ได้บรรลุอรหัตผลพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุทรงทราบคุณวิเศษจึงให้เขาพระเจ้าอุปสมบทกิจที่ควรกระทำเขาพเจ้าผู้ยังเป็นเด็กอยู่ให้สำเร็จแล้ววันนี้กิจที่ควรทำในศาสนาของพระสากะยบุตรเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากสาวกของพระองค์เป็นผู้ร่วงพ้นเวรภัยทุกอย่างร่วงพ้นกิเลสเป็นเครื่องคลองทั้งปวงเป็นเรืีนี้เป็นผลแห่งการสร้างพระสถูปทองกิเลสทั้งหลายเข้าไเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเข้าไปเจ้ากรถานได้แล้วเข้าไเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาจวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปูรินะถูปิยะเถระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ปูรินะถูปิยะเถราประธานที่แปดจบเกนลกุติกะทายกะเถราประธานประวัติในดิจชาของพระนลลุติกะทายกกะเถระ พรนะนรากุติกะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าในที่ไม่ไกลาจากภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อหาฤกะครั้งนั้นพระสยามภูพระนามว่านารทะประทับอยู่ที่โคนต้นไม้ข้าพเจ้าสร้างกุฏิไม้อ้อมุงด้วยหญ้าได้ทำความสะอาดที่จงกรมถวายพระสยามภูด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทาไว้ดีแล้วนั้น และด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นเขาพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นวิมานสูงหกสบโยต์กว้างสาสิบโยต์ซึ่งบุญกรรมเนรมิสร้างขึ้นอย่างสวยงามเพื่อเขาพเจ้าเพราะกูดีไม้ออเขาพเจ้ารื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอด14กับเดือกรองเทวสมบัติตลอดเจ็ชาติ ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิสามสิบสี่ชาติและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพ่บูรนับชาติไม่ท่วนข้าพเจ้าขึ้นสู่ประสาทคือธรรมอันควรเป็นสุญยาคารที่ประเสริฐอยู่ในศาสนาของพระศากะยะบุตรตามความปรารถนาในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลเหน่งการถวายกุดีไม้อ้อ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 ปิยาละละทายกะเทระประธานประวัติในดิตชาติของพระปิยาละพละทายกะเทระพระปิยาละพละทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อชาติก่อนข้าพเจ้าเป็นนายพรานเนื้อครั้งนั้นข้าพเจ้าเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเพิกยิเลศ สรงถึงความสําเร็จแห่งธรรมทั้งปวงเขาพระเจ้าเลื่อมใจได้นําผลมหาไปถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้เป็นเนื้อนาบุญผู้แกล้วกล้าด้วยมือทั้งสองของตนในกลับที่สาสบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้กิเลสทั้งหลายเขาพระเจ้าเขเผาได้แล้ว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 จบบริบูรณ์รวมอปภิธานที่มีในวรรคนี้คือ 1. ตีนิกิงกณิปุพยะเทราประทาน 2. องบางสปูละปูชกะเทราประทานสโกรันทะปุพยะเทราประทาน 4. กิงจุกะปุพยะเทราประทาน 5. ้อุปัตทะทุสะทายกะเทราประทาน 6. ครตมะมันททายกะเทราประทาน เอุทกะทายกะเทราประทาน 8. ปุลินถูบิยะเทราประทาน 9. กนลกปุตกะทายกะเทราประทานสิปิยละพละท า, ายกะเทราประทานในวรกนี้บัณฑิตนับคถาได้หนึ่งร้อ้าคถารวมวักทั้งสิบคือหนึ่งแม่ติยวรกสองพัททาลิวัก สะ ก, กิงสา ม, มัชะกะวัคสเอขวิหาริวัคหวิเททกิวัคหชกติทายกะวัคเจสาระกุสุมียวัคแปนละมาริวัคเก้าังสกูลวัคสิ 10. กิงกณิปุภวัคบัณดิตนับกถาได้หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสองคถา สิบวัคมีเมตายวัคเป็นต้นห้าร้อยอาปทานจบ